ยิ่งในโรงแรมเนียนะกินข้าว ก, ก็เปิดเพลงให้ฟังนั่งเฉยเฉยก็จะมีเสียงเพลงตามลำพงเขาบริการดีมากเลยบริการขย่าใจ <c oughs> ใจเนี่ยจะสันส่นสไปตามจังหวะของเพลงไปเรื่อยๆให้รู้ทันว่าเผลอทางหูเผลอทางจมูกได้ไหมได้กลิ่นอาหารใจก็ไปหาอาหารอยากกินไม่รู้ทันความอยากใจมันไหลไปแล้วไม่รู้ทันความไหลของใจ รู้ทันความไหลของใจได้ได้สมาธิรู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นในใจได้สติดูอย่างนี้นะรู้ทันตอนไหนเอาตอนนั้นรู้ทันตัวไหนก็เอาตัว น, นั้นด้วยไม่รู้ทันเลยก็เอาตัวเผลอไป <laughs> ตอนนี้เนะี่ยความสติความมีสติของเราเนี่ยนะอาจจะต้องตั้งใจตั้งใจดูว่าเมื่อกี้เราเผลออะไรไปเมื่อกี้เราเผลออะไรไปหรือตอนนี้ร่างกายเราอยู่ในท่าไหนกำลังอยู่ในอิริยาบถไหนแร ก, แรก ต้องตั้งใจหน่อยนะแต่ให้รู้ว่าความตั้งใจอันนั้นเนี่ยยังไม่ธรรมชาติสิ่งที่เราต้องการนะต้องการจิตที่รู้ตัวแบบธรรมชาติ